พูดถึงเรื่องของคุณธรรมของผู้บริหารปกครองบ้านเมืองที่เขาได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาเป็นพันปีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ตายเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะฮะความเป็นธรรมและความดีงามทั้งหลายเนี่ยผู้ตรงไหนก็ไม่ต้องเอาคําอะไรมากล่าวอ้างฟังแล้วก็ยอมรับโดยดุษฎีภาพนะอาจารย์ <Okay. S 1> ว่านี่แหละคือคุณธรรมของคนที่จะครองใจคนและครองแผ่นดินค okay. คือเรื่องราวที่ได้ดำเนินมาถึงอีก4ตัวก็เบบียี่สิบาสองก็ขึ้นรัตนาบรรลังแล้วนะครับเจ้าผู้ชาก็ก้าวขึ้นมามช้าบ้างใช้เวลาค่อนคิดบ้างพิจารณาแต่ก็ก้าวอย่างมั่นคงและซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยว่าตัวเองนั้นทำอย่างนี้ได้จริงนะคะเมื่อท่านทำความดีในข้อหลังๆได้ข้อแ็กๆท่านก็ไม่ได้ลืมไปนะท่านก็ยังดาเนินต่อ นี่เรื่องของตุ๊กตาตัวที่29อาจจะสั้นสักเล็กน้อยแต่ว่าสแสดงถึงกําลังใจแล้วก็ข้อน่าคิดบางประการนะคะก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้าวิกรมาธิตาคาะที่วันนึงพระองค์เสด็จออกทองพระลงคแล้วก็มีเจ้านายอมมารลราชมตรีเข้าเฝ้าแล้วก็มีเอ่อกเรียกว่าคือภาษาสุสกีเรียกว่าสตุติอาถักะ คือปาทกปาคาตกระถาเนี่ยก็สื่อแปลว่าผู้กล่าวคําสรรเสริหรือผู้กล่าวคถายอพระเกศสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็ะฮินดูจะมีผู้ร้องเพลงถวายพระเกศย่อพระเกศคล้ายๆกับฤษีนาฬิได้ละค่ะดั้นั้นนั่นเป็นฤษีเทพนะฮะแต่นี้จะเป็นมนุษย์ก็จะมีคนที่มีหน้าที่ที่จะยอพระเกศทต้งหลายเนี่ย ค, ค, คนนี้เนี่ยเขาก็มาที่ท้องพะโลงแล้วก็เรียกว่า อยอรพระเกียรติเป็นเยายาวเหมือนกับร้องเพลงแขกอินเดียที่เราเคยฟังกันนี่แหละค่ะสรุปแล้วเนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยหลังจากยอรพระเกียรติแล้วเนี่ยเาก็พูดกันว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระราชาทเนสวนเนี่ยโปรดให้มีการฉลองวสันตรดูนะคะก็เป็นบันขึ้นเจ็ค่ำเดือนมาค่ะก็คือเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละค่ะครบรรดายาจบกมนิพกทั้งในเมืองและจัดต่างประเทศก็มาจุมนมกันเนินแน่น รู้สึกมาเดินมาก้า่นี่เป็นวันชุมนุมกั น, นแน่นนะคะตั้งแต่สมัยโบรานะคะอันนี้มาเพื่อขอใรับทานพระเจ้าเทนีสุนทรประทานพระราชทรัพย์เป็นทองคำถึง18โกรดแสดงถึความมีน้ำพระทัยอันเปลี่ยมไปด้วยความเมตตาและเสีรษะแต่แม้กระ น, นั้นข้าพบบาทก็ยังคิดถึงโรงมากกว่าไกลๆไปพูดคํานี้เพียงคําเดียวก็คือเขามีความทุกข์อ่ะคงจะเลื่อนทรัพย์นี่แหละนะครับพระราชาฟังไม่ทันจบ ะะก็ให้เสนาบดีครั้งก็้าเฝ้าก็บอกว่าให้พาสตุติปรารทะกะเนี่ยไปยังท้องพระกลังให้ไปดูเพชรนินจินนาะอันมีค่ามหาศาลของข้าอยากได้อะไรก็ให้อภัยตามที่ต้องการทันทีพระราชาทรงมีบัญชาขุคนกลังก็รีพาในคนเนี้ยไปยังพระคลางมหาสมบัติในชื่อยาวเนี่นะคะสตุติปรารทะกะเนี่ยก็เลือกเฟ้นตะดุงมณีที่งามเลิศ<ะ>นะคะซึ่งประมาณค่าไม่ได้เป็นจํานวน เปรียบเทียบกับทรัพย์เก้าขุมเลยล่ะค่ ะ, ะมาเฝ้าพระราชาเกิดผู้นี้เอาของดีที่สุดเยอะที่สุดมากที่สุดไปสรุปแล้วคนเราเนี่ยเวลาเขาเมตตา<ะ>เขาเอ็นดูแล้วได้คืบเอากิโลเลยฮน ะ, ะเขาก็บอกว่าครโอ้นี่ก็สรรเสริญใหญ่เลยบอกว่าเนี่ยค่าค่าพระบาทเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ไปแล้วเพราะว่าทรัพย์สมบัติของพระองค์ทั้งเก้าขุมเนี่ย ตกเป็นของข้าพเจ้าแล้วล <ะ S 2> คือคือมณีที่มีค่าเนี่ยเท่ากับมา้า ค, คือเรียกว่ามีค่ามากเลยแล้วก็เรียกว่าไม่มีใครที่จะใจกว้างอย่างนี้อีกแล้วคือก็กล่าวคําชมเชยเนี่ยนะคะอีกยาวเลยซึ่งพระราชาก็ฟังแล้วก็เฉยเฉยก็ถ้ามีใครชื่อสตุตตะมาแถวแถวนี้เนี่ยต้องจัดการนะไปขอแล้วมันไม่พอนะสตุติเอาสตุติเลยค่ะสตุติป้าทักกะค่ะแต่ว่าสิ่งข้อเนี้ยเป็นเรื่องที่สั้นนะนะคะแต่ว่า ท้าผูชานี้ยตรงนิ่งฟังตรงนิ่งๆเพราะอะไรเหรอไหมคะเพราะว่าบุคคลที่มีเนื้อนาบุญเนี่ยการทําบุญเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่เราคนธรรมดาเนี่ยเราก็ก็อยากกระทํำจุดไหยคะแต่บุคคลที่ไม่มีเนื้อนาบุญเดินตรงเข้ามาขอเลยเนี่ยพระคก็ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากคือว่าเป็นจากค่ะความโลภความเสียสละนี่ไม่คือความโลภไม่มีมีความเสียสละไม่เห็นทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีค่า คือเป็นธรรมอันขั้นสูงขั้นพระอริยบุตรคือเขามีคำส อ, อนนะฮะ บ, บอกว่าจงเอาชนะคนตณีด้วยการให้ค่ะแต่ถ้าเอาชนะคนที่เป็นลักษณะคนโลภเนี่ยให้แล้วมันไม่พอนะอาจารย์ค่ะคือคือจริงๆแล้วในอันอได้อ่านเรื่องนี้นะฮะก็ยังคิดว่าเออเรื่องนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็ยาวยา ว, ยาวด้วยคำสรรเสริญของในายสตุติคุณนแหละแต่ว่าไม่ได้อ่านตรงนี้นะคะแต่ว่า ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊เรื่องเรื่องขั้นที่9ีสเนี่ยสั้นและดูง่ายแต่พอมาเปรียบเทียบกับตัวเราเองมันยากที่สุดเพราะว่า้ตัวเรานี่ทําบุญเนี่ยเราอย่างเลือกเนะืนะ้อนาบุญใช่ไหมคะ ค, คนดีเข้ามาไม่โลภไม่หลงแต่งเนื้อแต่งตัวดีแล้วก็ทําความดีมีศีลอ้อน<ม>ก็เกิดธาตุขึไปเราก็เต็มใจช่วยเท่าไหร่เท่ากันนะทําบุญกาบวัดวาอารามเท่าไหร่เท่ากันนะคะคก็อันนี้เป็นสิ่งที่คนดีปกติทุกคน พึงกระทําอยู่แล้วครับแต่คนที่เรารู้อยู่ว่ามันโลภมากอ่ะเขาะจแจกที่ไหนไม่เ่าต้องมาขอคนนี้เพราะว่ารู้ว่าคนนี้จะต้องให้นายสตุติเนี่ยยังมีปัญญานะครับที่มาเนี่ยมากล่าวคํายกย่องสรรเสริญเยือนยอไม่ได้มาด่าตรงหน้าหรือไม่ได้มาตั้งเวทีไฮปักด่าไปด่ามาแล้วก็บอกว่าทําไมไม่มาให้ไม่ไมไม่มาให้ก็พูดดีที่ถ้าเกิดว่าท่านวิกรมอาทิตย์เนี่ยเจออย่างประเภทตั้งเวทีด่าแล้วก็ต้องให้ด้วยเนี่ย ถ้าอย่างจะบำเพ็ญบา ร, รมีให้หรือเปล่ายัางจะให้หรือเปล่ามีข้อต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูต่อไปนะอ่คือมันใกล้จะหมดส่งท้ายแล้วอาจจะไม่ไม่มีได้ก็เป็นคุณธรรมข้อ อ, อื่นนะคะอาจจะตัดคอแต่ว่าแต่ว่าเอาที่เน้นอ่ะมีใช่ไหคะมีอยู่บทหนึ่งเลยคะที่อ่าเป็นมานุผููหนึ่งนะคะที่มีปัญญาฉลาดจาได้ไหมคะคที่ว่าเศรษฐีเนี่ย แบ่งสมบัติให้ลูกชาย5คนคนะคะแล้วก็มีหายหนึงมีดินนึงหายหนึ่งมีอะไรต่างาเนี่ยแล้วก็มีมโนพู้นี้เนี่ยแก้ไขปริศนานี้ได้ว่าที่ให้หายเป็นดินเนี่ยให้ที่ดินนะคะครตรงนี้ให้ฐานนี่ก็คือให้โลงทานอันนี้ให้พืชผลพืชไร่ก็คือให้ครอบครองไร่นาสวนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พระเจ้าพิการนาทีก็อยากพบ คนนี้แล้วก็ในายมานพคนนี้เนี่ยไม่ยอ ม, อมก็มาล้องด่าอะไรต่ออะไรก็จู้กันลบกันแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนายมานพก็อยากได้อะไรพรงก็ให้ให้หมดอ้อถึออองแม้จะเป็นศัตรูกัน ใ, ในกรณีนี้เนี่ยที่แอนอ่านนี่าเรื่องมันสั้นแต่ว่าให้ขอคิดตรงที่ว่าไม่ได้ทําอะไรฉลาดก็ไม่ฉลาดคือนายมานพผู้นั้นเนี่ยยังมีความเฉลียวฉลาดใช่ไหมคะ่ะ ค, คือมีความชํานาญการมีอะไรหลายๆอย่างในตัวเยอะมากเลยอนะคะค เ อ, องก็เลยคิดว่าเอคนนี้เนี่ยความฉลาดเฉลียวก็ไม่มีนะคะดีแต่ร้องเพลงอย่างเดียวก็ว่าก็ได้สตุติปาตกะเนี่ยนะคะคือเป็นผู้สรรเสริญยอประเกศอย่างมาจากคาว่าสดุ ด, ดีาปาถกะเ็ียคือมาจากคาว่าปาถกหรือปาตกถาใช่ไคนีวเียวเร่องคล้คองภาษาสุสตและนะไม่ใสุตุา่ใเป็นสุมันพูดเป็นตุเป็นตานี่ในคนนี้เนี่ยเขาเคยไปหาพระราชาคนอื่นมาก่อนจึงแจกทาน แต่เข้าถึงว่าเขาคงไม่ได้เว่าเพราะเขาไปเขาบัคนเดียวแต่นั่นแจกทานนี้ไปกันเป็นเยอะเป็นฝูงใหญ่เอางี้ลกนน้กันที่เขาไปคนเดียวนะคะคือเขาเลื่อนผลเลื่อแล้วต้องมาหากระสับแบบมีคุณธรรจริงไหมหมายความว่าถ้าไม่ให้ตะแกงก็คงจะไปด่าละ่ะนะคะคแต่ว่าอ้ามาเจอคนจริงจริงนซึ่งซึ่งต้องถามว่าตัวพระเจ้าวิกรมาทีม่มองออกไม่มองออกแต่ก็ยังให้อันนี้แหละคือคุณธรรมเรื่องสั้นแต่คุณธรรมสูง ะะต้องบอกว่าอย่างนั้นถ้าวโพชา่าถึงต้องนิ่งคิดก่อนนะคะก็จยุแต่นิ่งคิดแล้วก็เก้าวเพราะไม่งั้นเรื่องนี้จะไม่จบ<ร>ก้าวต้อสู่กรรไกขั้น ต, ต่อไปองังต้องก้าวแ่ทุกตาตัวที่สามนะคะก็พอฟังเรื่องที่29เนี่ยนะแองก็ยังคิดถึงว่าเรื่องราวของท้า ว, ว, วิกรมาธิศเนี่ยนะคะถึงสมกับที่ว่าตราบใดที่ชนทั้งหลายยังเล่าขาวเรื่องราวพระ เ, เจ้าวิกรธรรมกระอยู่ตราบนั้นขอให้อานิสงจงบังเกิดแก่ผู้ฟัง โดยถือว่าเป็นบุญญาดิเล่ผู้เราก็รู้สึกว่าได้อานิสงส์ไปด้วยนะคะครู้สึกว่าแม้ความโลภทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเรานี่มันบรรเทาลงไปเยอะเลยคะ่ะให้อะไรได้ก็อยากจะให้นะคะแต่ว่าจะทําใจได้หรือเปล่าเรารู้ว่าทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าไม่ดีเนี่ยจะทําใจได้หรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพรเนี่ยก็เกิดแล้วผู้ใดไ ด, ได้ฟังก็จะรุ่งเรืองด้วยชื่อเสียงกิติยศลาภผลนานาณประการมีอํานาจมีความยิ่งใหญ่ มีความเก่งกล้าและสิ่งอันดีงามต่างๆเป็นทวีตรีุูณและเราเป็นผู้ฟังเราเริ่มชอบอนุโมทนาเห็นด้วยถึงยังไม่ได้ทำเราก็ได้พิจารณาตามไปออแล้วก็ลงท้ายของพอรนเน้นว่าขอให้เรื่องที่เล่าขานนี้เป็นอมตะและยังยืนบนพื้นพิภพนี้มีรู้วันสิน้นสย์รเรื่องนี้ผ่านมาสามพันกว่าปีนะคะก็ยังเล่าผ่านกันอยู่เลยนะคะก็เป็นอนิสง ของท่านอาจารย์ศักดิ์สรแย้มนา ด, ดานะคะยิ่งเล่าท่านก็ไปสู่สวงสวรรค์ที่สูงนะคะเพราะว่าเกิดประโยชน์นแก่บุคคนทั้งหลายเรื่องของตุ๊กตาตัวที่30 <ฮ>ะนะค ะ, <ฮ>ะก็เป็นเรื่องที่พระลาโภชาโพชานี่กำลังตั้งใจฟังอย่างยิ่งเดียว่ามันคงยากขึ้นบีกจริงๆตอนที่เริ่มวิกรมจริตเนี่ยผมจำได้ว่าเริ่มก่อนที่หลายๆคนในครอบครัวในครัวเรือนในชุมชนกาลังถามหาคุณธรรมนะ แต่ว่าเราได้นําเสนอเรื่องคุณธรรมนี้มา ก, ก่อนค่ะก็เรียงไล่ลําดับมามีทั้งข้อคิดวัฒนธรรมประเพณีและแองก็อยากจะเปรียบเทียบเหลือเกินว่าจริตของท้าวิกรมาวิกร ม, กรมทิตนี่นะคะคเป็นจริตของพระโพธิสัตว์โดยแท้นะคะคถ้าเทียบกับพุทธเราพระชาวิกรมาทิ ต, ทติในเรื่องเล่าของปุตตะิกาหรือตุกตาแก้วโตวที่30บันไดขั้นที่30ก่อนที่จะก้าวสู่รัตนาบรรลัง นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าวิกรลงมาที่เสด็จออกพร้อมพระลงตามปกติแล้วก็บรรทับประทับบนพระแท่นสิงหาสนาทวาตึงสติกาอันนี้ด้วยเพราะว่าพระอินทร์มอบให้พระงท่านมาตั้งแต่แรกว่าคุณธรรมของพระงในครบสาบส2ข้อตอนนั้นก็มีอมาราชวลตรีเท้าสามมนุราคือกษัตริย์เทศรลาชเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดขณะนั้นก็มีไอณทราชาลิกะ แปลว่านักแสดงมยายากกลุ่มผู้หนึ่งก็มาเฝ้าถวายพระพรอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องของพีรพลนะคะพีรพลนี่ก็เป็นตลกหลวงคนนี้ก็มีคล้ายๆอย่างนั้นละคะ่ะนะเล่นกลด้วยเป็นตลกด้วยนะคะแต่คราวนี้เข้ามาแปลกหลังจากที่เขาเข้าเฝ้าถวายพระพรอันยาวเหยียดแล้วนะคะก็บอกว่าวันนี้มาเนี่ยจะมาะแสดงกลถวาย พระราชาก็าบอกวันนี้ก็ข้าไม่ค่อยว่างนะยี่ก็ถึงเวลาอาบน้ํากินข้าวแล้วไว้พรุ่งนี้ข้าก็ค่อยดูการสแสดงของเจ้าการะกระครับพระราชาสเสด็จออกท้องโรงโปรดให้นักมา ย, ยาผลเข้าเฟ้าก็ปรากฏว่ า, า, า, า, ามีชายอีกคนหนึ่งก็ามาแทนแต่คนนี้ลักษณะสงา่าโอ้อาภาคภูมิแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าปราณีราคาแพงงามวิจิตรใบหน้าของเขาก็มีการตัดโหนตัดเขาอย่างเป็นระเบียบนะไม่ใช่จะโหนเขาเป็นระเกะระกะ มือถือดาบแล้วก็มีผู้หญิงที่งามสง่าคนหนึ่งเดินเกาะแขนเข้ามาเมื่อเขามายืนชะปะผะก็โค้งกายแล้วก็บอกว่ า, าคือคือก่อนที่เขาจะพูดอะไรนี้นะคะมุกอมาร์เขาก็ถามก่อนว่านี่เขามาทําไมประสมอะไร <H it> นะคะก็สาย้านก็บอกว่าเขาได้เป็นบริวารของท้าววัชรินท้าววัชรินก็วัชฉาอมารินนะค ะ, <H it> ะ, ค, ะคือองค์อินพูดถึงสายฟ้าครับ <H it> ถูก พ, พระจอมเทพสาบลงมาใช้กรรมนในโลกค่ะาก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละนี่คือเทวดานี่คุณจะเห็ะเทวดาการบรรยายนึงเทวดาเราจะสังเกตว่าเทวดาที่แต่งตัวประณีตผมเถ่าอนุทวีปเรียบร้อยนี่เรียกว่าภูมิเทวดาลงมาเกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงอยู่ในความเป็นวินัยเครื่องแต่งกายมันเรียบร้อยสวยงามนะคะให้มันดูงา ม, มเคยได้ยินฝรั่งเขาพูดถึงเรานะคะบอกคนไทยเนี่ยแต่งตัวสวยครับแต่เท้าไม่สวย ก็สนะใส่รองเท้าแตะเนี่ยฮะเข้าสถานที่ที่ไม่ควรจะเขคือรองเท้านี่ไม่สวยออืแต่แอนไปจีนนะคะคนจีนบางคนเท้าสวยตแต่หน้าไม่สวยค่ะคะผมเท้าเนี่ยก็าอาจจะสวยครับเพาเอาขี้ผึ้งเสยไว้เต้มวนไปชีไปชี้มาแต่เท้าเขาสวยกันทุกคนนะรองเท้าค่ะนะค ะ, ะเรากลับมาเรื่องของเราก็บอกว่า และเนี่ยที่ตามมาด้วยรีบสาวสวยแต่งตัวงานนี่คือภรรยา<ะ>วันนี้มีการสับประยุทธ์ครั้งใหญ่ระหว่างทวยเทพกับเหล่าแทษแทษจากศัพท์ก็มาจากไทยทะยะแปลว่าลูกของทิติผู้เป็นชายาของพระกสยปะปมุนี<ะ>ก็คือกลุ่มอสูรพวกหนึ่งนะคะอันนี้ก็เคยเล่าถึงเรื่องเทพมาแล้วในภรตยุทธ์นะก็ทวนนิดนึงว่าแทษนี่ก็คืออสูรข้ากาลังไปศึกต้องเอาเมียไว้เบื้องหลัง ได้ทราบกิติศัพท์เล่าลือว่าพระเจ้าวิกรมามทิตทรงเป็นกษัตริย์ที่เลื่องด้วยคุณธรรมแล้วก็ให้เกียรติสตรีพระองค์ทรงปฏิบัติต่อภรรยาผู้อื่นองเล็บนะคะต่อยซัวยังไงก็แล้วแต่เหมือนพัะ ค, คินีของพระองค์คือเหมือนน้องสาวเพราะฉะนั้นก่อนจะไปรกรั้งนี้ก็ขอฝากเมียไว้อยู่ในความดูแลของพระองค์ค คือสมัยก่อนในผู้หญิงเนี่ยช่วยตัวเองไม่ค่อยได้นะคะก็ต้องอยู่กับสามีตอ น, นเล็กๆก็อยู่กับพ่อเอ็นตา ก, ก็อยู่กับสามีที่สามีจะเป็นโรคจะไปฝากใครนะครับในฝฟังดังนั้นพระเจ้าวิกรธอรมที่ค่อนข้างจะสงสัยอแต่ว่าเมื่อชายนั่งลบกราบทลงเจก็อุ้มปลายยางตนมามอบไว้กับพระราชา อ, อุ้มมาให้เลยนะคะแล้วก็เหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าได้เมืองที่กระชับดาบแม่ฟังแล้วโลกมันสวนฐามฮะเออก็ยังสงสัยสมัยนี้เนี่ยเล็กๆ ผมเด็กเด็กผู้ชายบอกผมอยู่กับแม่ฮะ <c oughs> พอโตมาอยู่กับเพื่อนฮะสะพัดไป <c oughs> อยู่กับแฟนครับนั <c oughs> นานนสิคาสมัยก่อนนี้เราก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็ได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่นี้เทวดา ก, ก็แสดงนิมิตได้เห็นหนึ่งกับสงครามอันน่ากลัวนะคะแล้วก็ยงจะยืดเยื้อด้วยนะคะแล้วปรากฏว่านักรบคนนี้นาถูกฟันนะคะถูกฟัน ไม่มีใครเห็นเ ห, นเหนนตุการณ์ ม, มดนนีขมาอ่าแล้วก็ดาบเปิ้นเ้วยของเขาก็หล่นลงมาจากอาการผู้ที่นั่งก็เลยบอกว่าสงสัยมีระบุตคนนี้ถูกฆ่าแน่ๆเลยดูสิแขนเขาดาบของเขาตกลงมามีแขนลงมาด้วยนะคะไม่ใช่มีแต่ดาบพูดยังไม่ทันจบศีรษะก็กระเด็นลงมาอีกลำตัวก็ลงมาตามๆกันมาเทียชิ้นนะคะ เมื่อประจักษ์เหตุการณ์ที่นี้หญิงผู้เป็นภรรยายนักรลกก็บอกว่าโอ้พระราชาสามีของหม่อมชั้นที่เป็นลพบุรสมรภูมิเนี่ยถูกศัตรูฆ่าตายแล้วดูสีศีสากแขนดาบตัวตกลงมาตรงนี้แบบนี้เขาคงไม่ถูกนางอับซรตามเกี่ยวอีกต่อไปยังจะหึงอีกนะเนี่ยไปอันจบเรื่องกันสัทีหม่อมอชัน้นจะต้องติดตามก็ไปยังปรโลกเพจะได้พบกันอีกคขอได้โปรดอนุเคราะห์ช่วยจัด ก, กองไปให้กับหม่อมชั้นด้วยเถอด Oh. อันนี้เป็นพิธีเก่าแก่เรียกว่าสตรีต้นกําเนิดมาจากปาวรวดีภาคหนึ่งของเจ้าแม่พระอุมานะ่ยนะคะคตอนที่ถูกพ่อในพภัตสิย ป, ะ, ป, ะ, ยปะมุนีเนี่ยดูถูกพระศิวะเ <Hey. S 2> นะมื่อดูถูกพระศิวะแล้วเนี่ยก็ไม่ให้พระศิวะเนี่ยเข้ามาพอนะเข้ามาพนางก็เรียกว่าถือว่ า, าสักคือพ่อในกิจการไม่แต่งงานก็เลยเข้ากองไฟค่าตัวตาย ก็เลยถือเป็นพิธีว่าเจ้าหากว่าสตรีใดเนี่ยสักเป็นไม้ก็จะเข้าพ like ิธีสตรีคือเป้าวรตีมีชื่อว่าสตรีหรือือเรียกว่ารักสามีมากขอตายตามสามีและกับเจ้ามาเกิดเป็นภูมิมาภายหลังนะคะดังนั้นผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าจักอนุเคราะห์กองไฟคือหมฉันจะเข้าพิธีสตรีในฝั่งดังนั้นพระราชาบอกลูกเอ๋ยทำไมต้องเข้ากองไฟด้วยล่ะพอจะเลิงเจ้าไป้เองเหมือนกับลูกสาวคนหนึ่ง ไม่ช่พักคินีละเอาเป็นลูกสาวซะเลยครับักษาเนื้อรักษาตัวไว้ถินลูกอย่าเพิ่งตายเลยมีความเมตตานางก็บอกว่าโอหอรียบุตรเหตุไฉนพระองค์ถึงตัดดังนี้ร่างกายกระหม่อมชั้นนี้เป็นของบุรุษผู้กล้าหาญที่ถูกศัตรูฆ่าเสียแล้วก็ไม่เป็นสิทกระหม่อมชั้นต่อไปเหตุนี้หม่อมชันจะรักษาเนื้อรักษาตัวเพื่ออะไรพระองค์ไม่ควรจะตัดเช่นนี้ภรรยามีหน้าที่ต้องติดตามสามีนะครับก็ ก็ถือว่าเขาก็ต้องฆ่าตัวตายให้ได้ล่ะนะคะก็ถือว่าหญิงที่ตกเป็นไม้พระสามีสิ้นชีวิตน่าจะดำลงชีวิตอยู่ต่อไปก็หาประโยชน์อันไหนไม่ได้นี่เป็นเรื่องของฮินดูเลยอ่าก็พูดง่ายๆร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์แก็เผาตัวเองะะตามไปเลยเหมือนกับต้นไสที่ขึ้นอยู่ในสุสานครับนะค ะ, ค ะ, คะก็เขาก็ตัดสินใจนะคะว่าต้องไปแน่นอนนางก็สุดกายลงแทบพระบาทของพระเจ้าวิกรมาธิต วิงวอนขอให้พระราชาประธานกองไฟให้แกนางพระราชาได้ฟังถ้อยคําของนางก็มีพระไทยที่เต็มตื่นด้วยความสงสารก็โปรดให้ก่อกองไฟด้วยไม้จันทร์ตั้งซ้อนเป็นกองสูงสําหรับเป็นไม้เป็นเท่านะแล้วก็อนุญาตให้นางไปครับนางก็ถวายบังคมลาก้าขึ้นสู่จิ ก, กาธานก็คือไม้กองไฟกองฟืนนะคะทอดตัวลงนะคะก็อยู่บนกองไฟเคียงข้างศพคุสงสามี ตอนนั้นก็เป็นช่วงอาทิตย์รับฟ้าพอดีวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พระราชาทรงเสร็จการประกอบอิตรวร ต, ตอนเช้าแล้วก็เสด็จเอาสู่ท้องพระโรง ก, ก็ประทับบนรัตนบรรยงแวดล้อมด้วยอำมาตย์ราชมนตรีเสวกาทั้งหมดแล้วก็เจ้าประเทศสราทั้งหมดก็พองค์ก็ทอดไปเนตรหรือเบื้องหน้าก็เห็นวีรบุรุษในวันก่อนปรากฏตัวขึ้นมือถือดาบ นเหมือนเดิมเลยมาแบบเดิมเลยนะคะสวมพวงมาลัย ด, ดอกไม้สวรรค์นะคะแล้วก็เอาดอกไม้สวรรค์จากต้นกระลำพึกลงมาสวมให้กับพระราชาร้อยกรองอย่างหนาทึบมีกลิ่นหอมแล้วก็ทูลถวายข่าวสารขององค์จอมทิศเกี่ยวกับการสัปยุดกับอสูรนะคะให้ทรงทราบ